สำหรับมหาภิเถปทานสูตรที่จะแนะนําต่อ แล้วก็ถ้าบางตอนใดๆที่นึกว่าคําอธิบายๆกันมากผมก็จะงดไว้ 7 มาแนะนํา ความมีอยู่ว่าภูนะจะ <c oughs> ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงค์โพชฌงค์นี้ความจริงท่านแปล มาดูก่อนภิสูจท่านหลายภิสูจในธรรมวินัยนี้ข้อ 1 เมื่อ ก็ย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงค์ไม่มี นี้สําหรับวาลิต้นพ้นจะกล่าวไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ก็รู้ว่าถ้าบ้างเป็นว่าภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมเป็น ย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งเป็นภายใน เพียงได้สักว่าเป็นที่รู้เพียงได้สักว่าเป็นที่อาศัยเพียงได้สักว่าเป็นที่ระลึกเธอย่อมไม่ไม่ นี่เป็นอันว่าผม การปฏิบัติเข้าถึงจริงๆนี่เค้าไม่ได้ใช้เลยนิพพานมาแล้ว ตอนนี้เป็นตอนที่ใช้ปัญญานี้เป็นตอนที่ใช้ปัญญาไม่ใช่ๆเป็น สำหรับโพชฌงค์องค์ 7 อย่างที่ 1 สติความระลึกได้ตอนนี้ <c oughs> ก็ต้องถอยหลังนึกคิดลงไปว่าตั้ง สัมปชัญญะตัวรู้ตัวว่าเวลานี้เราทําอะไรอยู่ <c oughs> ในนัยปฏิโกระบับประการ 32 เต็มด้วยความ นกมาด้านเวทนาในสุขเวทนาก็ดีในทุกข <c oughs> มีโทสะหรือว่าจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะหรือว่าจิตไม่มีโมหะ สอนให้เราทราบสอนให้เราเข้าใจว่าการมีเบญจขันธ์แบบนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ในตอนท้ายท่านยีกล่าวว่าเราไม่ควรยึดทุก <c oughs> นิสัตติตัวนี้ต้องนึกย้อนถอยลงไปเสมอว่าสิ่งทั้งหลาย เมื่อนึกคือมาได้แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปตามนั้นนึกขึ้นมา หรือว่าตามความมุ่งหมายพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกอะไร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 นี่มาพูดชงข้อดี 2 เห็นด้วยกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่านับ <tang s> <Tamam gì> ของหยาบที่เราจะพึงละได้คือร่างๆจริง <c oughs> มันมีในใจของเราอยู่เป็นปกติในส่วน <c oughs> อนิจจีในใจของเราเป็นปกติไหมหรือว่าถ้าสูงขึ้นๆยังมี เรายังไม่เชื่อองค์ 5 เป็นสภาวะเต็มเปี่ยม 5 เป็นสภาวะเต็มเปี่ยม 5 ต้องสลายตัวไปในสุดใน สภาวะนั้นนี้เมื่อใดเราเกิดขึ้นมาอะไรมีขันธ์ 5 อะไรเราต้อง โดยเพราะอย่างยิ่งสังโยค 3 ต้นสกายทิฏฐิมี ให้ยังก็เร่งรัฐจัดธรรมขึ้นยังก็เร่งรัดจัด เออ भैया บาตรสามารถจะตัดได้ด้วยอํานาจของปัญญาคือใช้ปรมิหาร 4 เข้าผัดขวางแล้วตัดได้หรือยังนี่เป็นองค์ของพระอนาคามีสําหรับพระอรหันต์จะไม่ต้องว่ามากพระอรหันต์ก็กล่าวมาแล้วก็คือตัดขันธ์ 5 เสียทั้งหมดขันธ์ 5 ของเราขันธ์ 5 ของเขาทรัพย์สมบัติทุสิ่ง ไม่มีการยึดๆในโลกลอยหมดที่ว่าสภาวะ ใช่อิจฉาใจใคร่ครวนใช่ปัญญา 3 เวทียะความเพียรนิอารมณ์เป็นเครื่อง มีเวลาที่เราจะจากกันทั้ง <c oughs> เพียรละกัน 5 ของเราด้วยเพียรละกัน 5 ของบุคคลอื่นด้วยเพียรละอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ด้วยเป็น ขณะใดที่เราใช้ความเพียรเข้า อาการที่ทำลายศีลไม่มีสำหรับเราเวลานี้ทำเบื้องต้นของ ก็คือมีความเคารพในคุณพระรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะธัมมรัตนะและสังฆรัตนะไม่สงสัยในคําสั่งและคําสอนของ เพราะว่าสภาวะอย่างนี้เป็นสภาวะ 40 เสีย อาบัติโกเรสัญญาธาตุ 4 นวสี 9 เข้ามาหักล้างความรู้สึกว่า มีพรหมวิหาร 4 หักครั้งความโกรธความยมบาท เหตุนั้นนี้ก็ต้องอาศัย อง, 5 องค์สมเด็จพระจอม เมื่อเรามีจิตรู้สึกว่าความตายมีแน่สําหรับเราเราไม่หวั่นไหวในความตายมันก็ อารมณ์มันก็สงบไม่มีความวุ่นวายแต่ก็ยังมีอยู่ยังมีรักมีโลภมีโกรธมีหลงนิดหน่อยก็ตัดมันเส้นด้วยสกายยทิฏฐิแล้วก็อสุภกรรมฐานแล้วก็ ไม่ยินดีในกายๆรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ความจริงพูดไปพูดมาก็ยันของเดิม ตั้งใจแล้วก็คลําดูว่าสังโยชน์ตัวที่ 1 ได้แก่อะไรคือสกายทิฐิแต่กายทิฐิตัวหลงว่า จิตใจของเราจะยอมรับนับถี เราก็ต้องคิดไว้เสมอว่าทรงกําลังใจเราเราเร 7 อุเมคะ อย่างนี้เค้าเรียกสังขารุเปฆาญาณไม่ใช่ว่านั่งวางเฉยเค้าด่าก็ไม่เป็นไรโกรธเหมือนกันแต่ขี้เกียจด่าตอบเค้าว่าก็ไม่เป็นไรโกรธเหมือนกันแต่ขี้เกียจว่าตอบแต่จิตใจยังว่าง่าอย่างถือว่าถ้าโอกาส เมื่อเค้าขายจริงๆก็เฉยมันทุกอย่างอเวทารมใดที่มัน um โดยเพราะอย่างยิ่งท่านมุ่งเอา เจอวิทุกข์ความแก่เป็นทุกข์เมื่อนำวิทุกข์ของความตายเป็นทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะใจเรายึดแต่ แล้วก็วางมัน 5 เกิดแก่เจ็บเลิกคันก็เอาร่างกายของเราร่างกายของ นี่ว่าเฉยโดยไม่ต้องการอีกอารมณ์ไม่ 7 ในมหาปฏิปทาณสูตรสําหรับ ต่อในนี้ไปก็ขอทุกท่านสร้างกําลังใจส่ง